มาก่อนบางทีมันก็จะหนักเกินไปบางทีมันจะเบาเกินไปแต่บางที่เบาันคงจะไม่มีล่ะเพราะว่าผู้เดินก่อนเราเนี่โดยมากเป็นทพานิชหรือว่าเป็นหมอทีออ่อยากจะรวยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนถ้าเขาท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่คิดหรอกอยากจะรวยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเขาแาบักธนาว่ า, วาสวยโอกาสเออจากนี้จะเหมาะกว่า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 ของพระพุทธศา ส, สนาไปประกาศเผยแผ่ออกไปให้เก็บประชาชนจะได้ร่มเย็นเป็นสุขและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็พยายามพูดอย่างมือเช้าทุกเช้าหลวงพ่อสมัครใจพูดไหมบางทีก็พูดก็เหนื่อยบางทีก็นุ่นได้ทานยาแก้ไอไว้ซะก่อนเพื่อไม่ให้มันมีเสลจมันมีไอขึ้นมาแล้วยังค่อยพูดแต่ละวัน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 แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมในหลักธรรมคาสอนหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกที่พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนที่หลวงพ่อย้ำเราตายแล้วไม่สูญคํานี้ฟังเอาไว้ตายแล้วเกิดอกีกตายแล้วไม่สูญ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 หัวใจใจผู้รู้อยู่ที่หัวใจเนีพอมันจุดจุดนั้นพอมันจุดเต้นแล้วก็หัวใจใจนั่นก็ออกล้ออกจากร่างแล้วคนโบราณเชื่อว่าใจใจมโ น, โนคือใจปู้รู้คือใ จ, อ พ, รอใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจหลักของพุทธศาสนาอย่างหลุงพ่อย้ําแล้วเน้นอีกว่ามโนปุพัง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 เรื่องมีอะไรเกิดขึ้นเราควรจะแบ่งให้เขาบ้างไม่ใช่จะเก็บเห็นแก่ตัวทั้งหมดนี่แหละคารวะธรรมรมของคารวะสัจจะธรรมขันติจาคะแล้ว ก, การดำเนินชีวิตทรรธรรมทรริธรรมมีกตรประโยชน์คือประโยชน์ของนนในปัจจุบันมีอยู่4อย่าง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 อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหม่านความขยันอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์หน้าที่ตำแหน่งเอาไว้อย่าให้เสียหายกระยะนานมิตรคบเพื่อนที่ดีงามซ้ำ ม, มาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าหลอกลวงอย่าป้นอย่าคดอย่าโกงเขามาเลี้ยงชีวิตเราเอันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่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 ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้แย่ตัวนี้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติค่อยๆกับตัวเองมีเงินเดือนขนาดนี้เราใช้จ่ายเกินตัวนี่แหละจีบหายเลยถอะในฐานะของเราควรจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปทำงานก่อนแต่เราก็ซื้อรถยนตก็เป็นหนี้สินจากนั้นก็ซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นก็น่าจะพอจไปซื้อรถยนต์ฝรั่ง